พันศาแล้วบ้านนี่ยอีกสามอาทิตย์สามวันพระมืออ่อวานจะมีการทอดผระ ป, ป่าสร้างเจดีหลวงปู่เพียเนเน้ยนม่วมหมดเลยบ้านน้องกองวัดป่าน้องกองที่หลวงปู่เพี้ยนเป็นสร้างพ่อพลเมรณาภาพแล้วก็รวงตามหาบัวไปว่างเิร็ลเลิกแล้วก็เริ่มสร้างเจดีเดี๋ยวนี้คือคืนฐานขึ้นแล้ว จ่ายไปงวดงวดนึงแล้วงวดไปสี่ล้านมาั้ี่ล้านแต่ที่ดีนี่งบประมาณสักสิบกว่าล้านนี่แหละนี่ก็งดไปสี่ล้านแล้วก็จิงมีการทอดผลาปลาเมื่อแรกเนี่ยมือหนึ่งแล้วก็กรกถินอีกกรถินกรถินมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกรถินนักศึกษาแพทย์ที่หลวงปู่เคยไป ทงคออนุเคราห์เขาน่ะเขาก็มาถามหลวงพ่อน่ะปีนี้บอกว่ากรถินมหาวิทยาลัยจิทอดใส่นอ่อดีหลวงพอน่ะไม่ทอดวัดหลวงปู่เพี้ย น, นปนที่สางเจดีย์อยู่ซอยๆกันไปร่วมกันทอดกรถินเพื่อสางเจดีย์หลวงปู่ของเพลนก็เลยตกลงกันว่าสิทอดผู้ใดนั่นกขามารวมเน้อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดพฤศจิกา มีการทอดผ่าปลาสร้างเจดีคูบาจานแต่ละองค์หลวงรับไปเห็นแล้วก็วโอ้แต่ว่าเจดีของเพิรนเนี่ก็เห็ดใช้กลางสะนามเลยเพื่อบวไฮมันเสียทินเนื้อที่สร้างเจดีใช้กลางสะแต่ว่าเจดีคูบาจาย์แต่ละองค์กระบอแมนมี ตั้งแต่บรรจุอธิธาต์หรือบัิการทบริขาธรธาธของเพิินเท่านั้นทั้งบนเจดียับพี่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุธาตุของพระอรหันต์บรรจุอธิธาต์เลือกพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้อยู่หมดยอดเจดี สรุปแล้วก็คือเมื่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาแหละเพื่อเป็นสิ่งเข้าลบสักการะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผูดยังสันดได้เพื่อเพนที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและการที่จะสร้างเจดีย์ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อถูปารหาบุคคลไม่อยู่สี่จำพวก สมควรที่จะสร้างสถูทโธะเจดีพระพุทธเจ้ า, าพระปฏิเจตพุทธเจ้าพระรหันตสาบกนะครับพระเจ้าจักรพรรดิสี่จำพวกหนึ่งสมควรที่จะสร้างเจดีรองรับเพราะมนุษย์ทางหลายได้ไปกราบไปไหวก็จะได้แหลกเลือกถึงคุณงามความดีของเพิินเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทําไม พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังมีกิเลสอยู่สามองค์บาวาน่นพระพุทธเจ้าพระปิจิตรพุทธเจ้าพระรหันตสาวกเน่ยเปิดมดกิเลสแล้วมดราคะโทษสาโมหะแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างจะถูประเจดีบูชาบรรจุพระปะรรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระรหันต์แต่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าพระเนวะให้สร้าง พระธาตุล่องรับอันนี้ก็มีคนคิดอยู่ในใจคือกันวันนู้ไปแต่หลวงพอบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเพิ่นเกิดมาเป็นยุขของเพิินเป็นบุญเป็นกุศลเพราะเกิดขึ้นมาแล้วเพิ่นวัดไร่ชัศัตราอาบุธใชัคุณธรรมจิตธรรมของเพลินพ่อใหญ่ขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปใส่เบาใสนี่คนยอมรับปุ๊บ ไปบอกในเมืองไหนพนยอมรับยกเมืองถวายเลื่อยวนลไปเพราะว่าเปิ่นเป็นร้ำเมื่อปกครองโดยธรรมวนลงไปไปวัดในยุคของเพิิ น, นมามีขี่ขโมยพ่ยโจนวนลไปคือยุคของพระเจ้าจากักรพรรดิที่พลเกิดล้วนแล้วจะเป็นคนมีศีนธรรมในยุคสมัยนั้นการปกครองของเพิิ น, นี่เป็นยังเจ้ายัางขโมยเจ้านีางเป็นนักเลงเป็นขโมยเอ เพราะว่าผมบมมี่ครับเจ้าสิเอาเท่ไาไรงั้นสิพ่อเอาคาดนี้นะต่อไปก็เอาตรร ม, มาหาเลี้ยงชีพอย่าไปเหตุ้มันบดีเบียดเบียนผู้อื่นเขาเนนะหาวิชาอาชีพแกคน้นค้นของบมี่ขี่ขโมยโพยโจนในยุคสมัยนั้นบมมี่กุญแจบอมี่ลูกก่อนมันเป็นมานะในยุคสมัยเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าจักรพรร หลวงรับรับขันไปสิ้ น, ปนไปชนไปเพลินมีศินแปดอีกตั้งหากได้รักษาสินแปดทุกวันพระแปดคำสิพาคำแล้วก็สินหาของเพล่นประจําตลอดชีวิตของเพิินเพราะไว้นั้นเวลาเพลินตายเวลาเกิดจงขวรที่จะสร้างสถูปพอข้นได้ไปกราบกราบเนะออขอให้ผู้คาได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนอะ เหรียกว่าข้าพรเจ้าให้เป็นบริวารพระเจ้าจักรพรรดิขาพรเจ้าจุบถ้ำความซัวขาพรเจ้าจะสร้างแต่คุณง่ามความดียังพระเจ้าจักรพรรดิเพิ่นผ้าเห็ดนี่ล่ะเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้แนะนําสั่งสอนในพี่นองประชาชนสางแต่คุณง่ามความดีเนี่ยเให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาคานว่าเฮาพอตรงการความเกิดร้อนความทุก เขาคือจะไปเหตุใส่เขาจะไปด่าเขาย่าไปโคดไปโกงเขาในเมื่อข้าบกโคดบกโกงเขาต่างคนก็บตางบกโคดบกโกงกันในยุคนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในหละยุคของพระเจ้าจักรพรรดิสมควรที่จะสร้างสถูปประเจดีเป็นทีล้ำลึกถึงบุคคลที่ตั้งยึดคุณนงามความดีข้างนอกจากนั้นละไม่คว ร, ปรเป็นไงปภูไทยเจ้าบนวานอกจากพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ทั้งสี่ท่านเนี่ยะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระรหันตสาบกพระเจ้าจากักรพรรดินอกจากสีท่านนี่บอกควรจะสร้างสถูกพระเจดีเพราะเหตุใดเพราะว่ายังเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ขันธว่าไปสรั่งเจดีหรือไปสั่งสถูกไปเนี่ยก้อนที่สร้างเนี่ยผู้สีตายเนี่ยคืดไปก้อนเลยเนี่ย ไอ้เคลื่อนผู้ขาตายเนี่ยผู้ขาจยอะมาเฝ้ากระดูกแข็งผู้ขาอยุ่เนี่ยยุดสถูปเนี่ยยู่เจดีย์นี่ยละวันนั้ไปเอ้นี่แหละยูมองเขาที่ฝังไปนี่แหละไอยู่สุสานนี่ล่ะก้อนที่ตายก็เคลืนไปเลยเด่ะเพลื่อนไปฝ่อไปก้อนแล้วไอ้พ่อนั้นพอตายปั๊บเขาไปฝังหลางเจ้าของเน่ยจ้าของก็ไปนั่งขโม่เฝ้ากระดูกแข็งเจ้าของแยลบัตรเนี่ยไอ้่ไปใส่ก่อนโมาไปจนกระดูกเปื่อยผูพังหมดนละ จนจะเห็นมีความเห็นถูกต้องคนนะ่ะจึงเจดนี้ออกจากมองหันไปได้ะนนะ่ะเพราะนั้นยาให้มีความหมายเนีพอตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วมันพร้อมที่จะไปในสถานที่ต่างๆได้เยังคนโบราณพอไปสร้างจสทูปกาดีสร้างเจดีย์ก็ดีเอาพระพุทธรูปไปไหวพ่อไปไหวเลวเป็นห่วงในพระพุทธรูปไปห่วงในงินในท้อง พ่อตายไปแล้ววะเนี้ยไปเฝ้าในพระเจดีไปเฝ้าในธาตุมันเอาไปอคนจะไปขุดไปโกนเนี่ยโอ้ผีอยู่ธาตุผีอยู่ในพระเจดีเนะี่ยอาเพจอาถันมันเอาไปโคนบนบัล้านเนี่ก่อนไปขุดเจดีโวรจะไปขุดโบสถเนี่ยเอาหมอผีไปปราบจนพ่อแห้งมันเอาไปบางที่ผียังปราบหมอผีอีกต่างหากมันเลยบางคนเขาลอยบกก็ะี้มัาไปเนี่ย พี่เจรณาเบังแหลมันกับแม่เนี่ยเอยคือคืออยู่หลวงปู่จามเ น, าลลเนี่ยด้ยจะเป็นหลวงอาหลวงพรเพิ่มมาเพิ่มไปพาวนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเอำเภอฝาองมันไกลๆแดนมพม่าในอำเภอฝางมันไม่เขาสางเจดียด์บนาธาตุบนหยอดเอบนตีนเขาลงไปเขาตัว น, นั้นคือกันคือหู ป, ปากคอเน่ยเพิ่มมา เออหัวมันมันกับทางบ้านคตรหนะอยู่ทางหางมาที่นนไปมันชื่อกว่โดยอีกอยางหนึ่งน่ะมันเป็นล้ำลามขึ้นไปภายในเขาก็มาสั่งใจนั้นระวางกลางนะสั่งถาดนะพอสั่งไปแล้วเพลินกับหลวงปู่หนูเลยนะว่าหลวงปู่หนูวัดดอยแม่ปังนะ ไ, ปไปหาพระวนาไปหาเที่ยวอยู่แถวนั้นนอ้ไปไปหาเที่ยวอยู่แถวลงคอแถวอำเภอพาวจากนั้นก็ขึ้นอำเภอฟางนะไปหาพระวนานาแรง ปนไปถามโยมเขาบอกเออโยมแถวนี้มีมงพาวนาบอลมีโยเขน่อยอสิมีโยเจ้าข้าสิครับมงได้ล้ะเนี่ยแหละมีมงเจดนะีแต่ว่าเ็สแท้ๆเด้เขาว่าผีให้แท้ๆสิผีดุแท้ๆสินี่ยนลอยบกมาจ๊กสักหมอมาขุดเนี่ล้อยบกมาจากสักเธอแต่สักเธอแล้วสิเนี่ผีหก้กัทาง เพลินไปสไปน้ากันสามค น, มนไปมิตปรปะขาวผู้หนึ่งแล้วก็หลวงปู่นหนูวัดดอยแม่ปังผู้หนึ่งหลวงปู่จามผู้หนึ่งสามองค์ไปทั้งตาปะขาวนี่ยก็ดปากบอนกมู่น่ทาทาบญาณหมดไปไปสาผีคนว่ามากเต็มรวดแล้วมาหยาย้ญาตยังคนว่าทั้งอาจารย์หลวงปู่จามที่เป็นหัวหนา้าพันกบ็บปาก ว, วอาจารย์หนูพันก็ะบวปากแต่ตาปะขาวนี่เก่งโหมดไป บาดท่าแล้วเขาก็เลยไปจัดเขาก็เลยพาขึ้นไปตุเจ้ามักมองได้เถอะนี่ชอบมองได้ที่จะให้พวกตุค่าเหตสถานที่พักไห้หลวงปู่จามพนว่าเ อ, อื้อเฮาจะเอาขางเจดีนี่แหละมันเป็นหฮมตีอยต่ปะเขาวลแต่ปะเขาหยุดฝากพุ่นหยุดฝากเจดีทางพุ่นเฮ้าหยุดหยุดฝากพี่อาจารย์หนูเนี่ยหนูเออเฮ้าจะขึ้นไปพุ่นเนี่ยไปทั้งทั้งหัวปลาคอพนวัลไป แลราไปพักเยอปุ่นสามองค์สามคนห่างกันโอ้ยย่งมาท่านคําแล้วเลยลูกค้เทวดาผีรักษาเจดนะีมันมาเล่นงานตาภะข่าวกอร์มูเล่เลยย่างป่นเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนป่นเปลี่ยนตาภะขาวอยู่บ่ได้แล้ววนะัอนหอบอายะมหาหลวงพุทธามหลวงพุทธามลูกใจ อไปหายั้งมายั the the ้งจะไปหาผอมันยั้งว่าพุทโทพุทโธหนาวแต่เนี่ยพุทโธยั้งพุทโธมันไปอยู่ได้มันยานผีโยนไปออย่างป่นเปลี่ยนปนเปลี่ยนเออมันลักษณะผ่าขมามัดพุ่งก็คือกันกับพผ่านี่ยบันก็ผ่าเพื่อนมัดมัดบาผ่าดบาซะเออว่าแล้วก็ผ่าเพื่อนก็มัดพุ่งโยนไปย่างปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนย่างอ่อเมันกดแต่ปะขาวโยนไป โอ้ยตาประขาวอยู่ประเดวหอบไปหาหลวงปู่จ่าหลวงปู่จ า, มม า, จามไม่ยูคใกล้ๆอย่างเด๊อาจาตาม่านอาจารย์ผมอยู่ปรไเด้แล้วคุณวอไปหาดูไปหาพ อ, อพดโทพทโธนะฝนยูจูตาปากขาวปดนอนมัดขึ้นหมดเลยผีกวนหมดเลยแยเหมือ เ, เศร้ากินเขา่าที่ว่าจะ ก, จา ก, กินเขา่าเปิดอาตลากันไปว่านี่หลวงปู่จ่ามันคิดว่าผีมันจีมันสิหา่าแต่ตาประขาวมัม่งเหรส กระเพ้ามันคือจะผู้ายมั้งวันนี้เพิ่นก็อยูพ่อมาเคลืนที่สองบาทเนี้ยว้มันมาลกวนลุกผู้จางบาเนี่ลูกผู้จามวันน้นอนมัดคืนีกคือกันวันน้นไปพอจะนอนมันดึงขาเอานไปโอ้ผีนั้มันหายคักหข่แน่ปนิตรได้ส่คนว่านี่ยแหละขั้นผู้บกใครผู้ไขรบุเคยเจอมันไปเจอได้ผีผีนตามจริงมันบมเมนอกเป็นลุกค้าเทโอดาเขารักษาเจดีเขาย่านพ้นไปคุดเจดีเอาวันอไปคุด ค้นไปคุดหลายเถื่อนเลยหลวงพูทจามนอนอย่ังขึ้นที่นึงขึ้นที่สองโอ้โหขึ้นที่สามบอดด่อใดออกไปนอนย้ำมู่เว้นไปพักอยู่ต่างหน ок ไปพักอยู่ต่างนหน о บาราขึ้นที่สา ม, มานเอ๋เด็กนตตววตแต่หลวงปู่ตือวาวจันไรต้องสวดโพธส่งจนไตามไม่จริงสวดกรณนี้เลยโดยมากกู้บาอาจารย์เพื่อให้สวดกรณนียังไม่ตัดสูตรแต่หลวงปู่ตือให้สวดโพดส่องวอสวดโพธิส่งได้จามเริ่องมงได้ปีให้ห ว่าในลงผู้จางปพหาไปทองค่ยๆว่า ไ, ไปทบทวนมังไปเปิดทองได้แล้วล่ะต่ไปทบทวนหมองอื่นมันไปยางมงเวททบทวนจาแม่นลบาดนี้พอพอดบสามบสีแต่เวทพระท่านตกดินแล้วคนว่าเอาแต่ฝนเวท เ, เลยลอะไปก็เขาม่งลบากเลยผมันคำคำมันมากกวนเราเดว่านขั้นมานั่งสิมันก็นมาขีดข้อคนนะ่านมันโปะหลังเราท่านันนอนเยมันกับขืนมานั่งคับเราท่นเออดึงขาพ่อเนยนอนอไรราท่น อบ้าแล้วเพื่นเขเลยไปสวดโพดิ์ชงโค่ตัวนไปทาวัดเสร็จแลยก็สวดพุ่งถึกเต็มหามงค์แล้งวันไปสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวดอีกจกไปสวดจกไปสวดจกไปสวดตัวนไปจนจิตสงบเสีนเพลินว่าอสวดมันจิตผูไปทางอื่นเนะจิตมันเงียบเงียบลงไปจอกับบทสวดมนต์ผมพูดเหมือนเข้าจมพุดโถงกันเลอแต่นในคนสวดวันไปพ่อสวดสวดสวดไปจิตสงบปั๊บ พ่อจิตสงบปั๊บเกิดแสงสว่างขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาอะไรกันป่ะแสงสว่างนี่ใจของเพื่อนน่ะแสงสว่างจ้าออกไปไปเห็นนี่ที่มันมาลุกวเน่ะคือผู้ยิ่งมาสั่นหมดไปผู้ยิ่งสามคนมาสั่นกว่าพ่อมองไปท่านั้นเน่ะมันเป็นกสินได้จิตสงบมันเป็นกสินเนี่ยมองไปโอ้ยไห้แตกแล้วเพื่อนวะเออเพื่นแพงเอ้เพื่อนเอาคูได้เลยบาทเนี่ยพ่อได้ฟสสายเห็นเขาครูได้เราลงไป อครูผีวันนู้ไปมันเป็นม้ามัดลกโกนอยู่แถวเนี่ยเนาไงเฮ้ามาเผาวน้า่นเน้เอ า, า, า, นานไงมันก็บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าเนี่บอกให้มา้มามัมาบอกมาไล่ท่านมากวนท่านเอาไงใส่เนาไงไปซี้ไปเบวองินมี่พูดในเงิ น, นเอาไปใส่ผ่าข้ามาคือเกินกับพม่าเนีใส่ผ่าจงผ่าตะไล่เอ่ผ่าไล่คือผ่าพมา่า แล้วก็ผ่าพื้นเออพารบ้าหน่อยนะแล้วมีพระพุทธรูปองหนึ่งนาตักวมัดกับเกือบคืบเนี่ยเกือบขีบเนีน่ยพอนะพระพุทธรูปปะกะจับเรื่องสี่กันไปขางนึงไว้มันเจอกันไอ้เจกันแล้วทั้งหัวมันขีดดุ่มๆสักน้อยพนะแล้วก็มีแก้วเม็ดหนึ่งทอกันกับไข่กันจะว่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนี่ยหละพนะอแก้วเน่น่าอาจจะเป็นเพชก็ได้ว่างเนี่นมันถือสองอันพอนะ นี่ก็พาคำาพาดบาเพลนก็เหลียวเห็นนะําไมมาหาลบปวนเท่าไหร่อย่างเลยไอท้ท่านก็เลยบอกว่าที่มาลบ่วนมุนพอ่อไปยังงอยากจะให้ท่านหนีออกจากหนีวาเถอนมีข้นมาคุดเจดีย์ไจักซักเถื่อจะสักเถืเอแล้วเถอะไงท่านจะมาอยู่ในอีกเถอะอเพราะนั้ทนท่านตรงนี้เาเถอะหนีจังไอาเถอะเฮามาภาวน่ า, านเอาเถอเฮาบริมากหวังเอาทรัพย์ในถิ่นสินในน้ำเลยเฮามาภาวน่าในห้องเฮ้าเล ร่างเขาหาทางพ้นถูกเป็นอย่างมันบูเบิงวะใช่ไหมมหารุ ก, กวนแบบนี้น่ารกนะเอียเป็นเทวดาก็น่ารกไปทางไปนะอย่าบอกให้โอ้ยผมขอโทษครับพนวะผมขอโทษครับจะให้ผมเป็นบาปเถอครับพนวะพนเลยถามไม่หยังจะได้เมื่อนะไอ้สั ม, มณะบอสงบพนวะบอสัมล้อมพนวะผียังคูพาอีกเ้วดาไปเออสั ม, มณะบอสัมล้อมพนวะใกล้ว่าสัมล้อมคือเป็นเบิงอย่างของเขาผู้อื่นวนออกไป เออเอ้เขาก็ถามซื่อๆนะเขาบเป็นถามเขาอยากได้นะเขาถามมื่อถือหยัางเหมือนเดบอกเออขอโทษขอโทษอาจอันนี้คือพระพุทธหลปท่องค้ำอาจารย์นอันนี้คือแก้วานี่นี่แหละเวลาค้นคุดต้องได้ถือหนีอยู่ตลอดอายเนีลบหนีอยู่ตลอดเออค้นถี่จะมาคุดอาลุกค้เทวดาบอกก่อนไปเออจึงนั้นต่างคนต่างอยู่นะายอย่ามารบกวกันนะบัดนี้นะา ครับเพาะฉะนั้นเขาก็ยอมรับมเอาไปเอาไปมาพันละยูหันพ่อวนายูหันมันเอาไปนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือผีผีห่วงหวงาธาตุหวงเจดีย์ขึ้นกันเนี่ยเนี่ยว่าพันมาพันไ้สั่งสัตรูเจดีย์ที่บรรจุนอกจากพระอระหันต์พระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพรุทธเจ้าพระอรหันต์แต่สาวกอแล้วก็พระเจ้าจักรพรรด ไปเจ้าจักรพรรดิเพิ่งตายไปก็ไปสู่สวรรค์กันนอกจากหันบานและบ่อแน่นอนไปว่าบ่แน่นอ น, น, า อ, อ, น, น, อ, นอาจจะไปเฝ้ากระดูกแข่งเจ้าของอยุสันก็ได้เพราะนั้นเป็นเจ้บ่ให้สร้างพระธาตุพระเจดีย์สร้างใส่เจ้าของสรุปแลยนั่นคือหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเข้าศึกษาพวกเข้าจงหูจักถูกปา ร, ระหะบุคคลสี่จำพวกที่สมควรที่จะสร้างสถูวและเจดีย์พระพุทธเจ้า พระปเจกพุทธเจ้าพระรหัสสาวกพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้คืออยู่ในว่าไตรปิฎกที่เปินบอกกล่าวไ ว, ว้ไปแต่พวกเฮาสุดถ่ายภ้าล้างกับชุดแท้แต่พระสิเฮตสั่งจะได้กับชุดแทะแต่สั่งตามอัธยาศัยตามความต้องการของแต่ละคนแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมควรไม่ยุติจําพวกเท่านั้นแต่นอกจากนั้นแล้ว บ่สมควรอันนี้เป็นกำบระหามาคือกันเพียงแต่ว่าสมควรบ่สมควรบ่เหมืนเงินบ่พุทธเจ้าตัวบ่เหม่นเงิน่อนพ่อเจกพุทธเจ้าตัวเงินของเฮ้าเฮาสีสางจะเป็นยังก็บบ่เป็นยังเหมือนกับสางได้วัน่ะแต่ว่าสมควรบ่ในหลักของธรรมคาสอนของบุพเทเจ้าพว่าบ่สมควรเมื่อนี่หลวงพ่อได้เบาแนวความคิดให้แก่พวกเขาได้ฟังได้ศึกษา มีทางแนวทางที่หลวงปู่หลวงตาได้ประสบพบเห็นมาเพิร์นมาบอกทายทอดมาให้ฟังอันนี้ครับทายทอดมาให้ฟังคือกันแต่ว่าตามให่จริงหลวงพ่อสันิษฐานมาแม่นอย่างที่หลวงปู่จามที่เพิร์นมาหลวงพ่อเป็นลุคะเทวดาที่รักษาพระเจดียยหันวันไปมปันเป็นเปดแม่นผีดอกเป็นลุคะเทวดาไม่หลายจําพวกเลยลุคะเทวดาภูมิมะเทวดา อากาศสัทธาเทวดาเนี่มีหลายพบพุ่มวนไปมันหดของเข้ากับพบพุ่มหนึ่งไอ้สาธิตไชานกับมันหลายพบพุ่มขนาดไหนมีทั้งสั่งมีทั้งหมามีทั้งง่วงควายหมูหมากาใครสัพพสัตทั้งหลายมีแตพบพุ่มทั้งมัดเนี่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดากับมีขึ้นกันเป็นชั้นเป็นภูมขึ้นกันพลวตายละบนสูงนะตายละเกิดนะเพราะนั้นพวกเข้าย่า อย่าตัางอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้คาน ว, าาว่าเฮ้าปรได้สร้างบุญสางกุศลน่ยตายไปแล้วไปตกตํ่ำในง่ายๆขึ้กันได้คานาวาผวกเฮ้าสังสมคุณงามความดีแล้วพิจะไปสูงสัน่นพระพุทธเจ้าพระรหันตสาวบอกพันบอกกังซันเลยเพราะนั้นผวกเฮ้าเสือเสือผูกพันหูพันเห็นนั่นะหอะจะไปหาเสือคนตะบอดกับอะไรแล้หละคนตาบอดมิจะดันทั่วล่างไปเลย แต่เชื้อทรรมขาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่มีแต่จะเลื่อนรุงเรืองนะเพิ่นสอนอย่างมันแบนความเพิินมดได้ห้ท่านแล้อเนะี่ยข้นขีตเนีมันเป็นยังไงบ้ะนงะขคนขีตเนี่ยวันมีพีมีนองไนดะ้ห้เบิงอรรถวนันไปคนที่มีน้ำใจกว่างขวางเนะีมีจิตใจกว่างขวางต่อมูต่อเพื่อนต่อพีต่อนองถึงจะบอกมีเงื่อนกันแนะนําบอกแนวทางให้ผู้อื่นอันนั้นกันยั่งเป็นประโยชน์ข้นขีตเนี อยู่อมซอมแอ็มแซมบุหร่ได้แต่ก็คนโมมีสินคือกันม่หยิบเบียดเบียนมิถิทิรักที่ปนที่ขมุ่ยผู้อื่น่อันนั้นเข้ากับคบบหร่อีกคือกันคนโมมีสินนี่แหละพรอพูดถึงเจ้าบนเบาไว้มันแมนได้คนโมมิสินโมมิถ้ำนั่นเดือดร้อนไปอยู่ในใสาเดือดร้อนเมื่อนั่นกันว่าคนมีสินมิถ้ำมีนามจิตนามใจอยู่ด้วยกันมิถิความร่มเย็นเป็นทุกเอือเฟื่อเอืออารี่ซึ่งกันและกัน ที่ได้สองน้องได้นึงมียังก็สงเค อ, อนุเคราะห์กันออประเทศชาติบันเมืองก็ร่มเย็นเป็นทุกแต่ธรว่ะพวกใดมีแต่เห็นแกตัวแกพักแกพวกบอกเห็นแกไยเลยก็นั่นแหละเดือดร้อนวุ่นวายพวกใดเกิดในยุคนั้นส ม, มัยนั้นกันไปว่าทุกแล้วกันไปตอนนี้ไปรับพรเนื้อตอนนี้อนุโมทนาให้พร